ให้จิตของเรารู้อยู่ที่ลมหายใจถ้าจิตเคลื่อนออกไปก็ให้ละความเปลินแล้วดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมจิตที่เปลินไปที่ว่าจิตนั้นกําลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลิน นัก <c oughs> <c oughs> ผู้มีพระภาคเจ้าให้ละการผูกจิตติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินให้เป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวการที่เรามีความเพลินหรือให้จิตผูกกับอารมณ์เรียกว่าเรามีการอยู่ อย่างมีเพื่อนสอง <c oughs> ปิกสูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาก็ามาได้รอบ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 เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำ้ความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทั้ความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำรับอยู่ หายใจเข้าทำกายสังขารให้รำงับอยู่หายใจออกอ <c oughs> ีกสุดทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้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 ทั้งหลายการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออก <c oughs> ชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปัชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ที่สึทั้งหลายอาณ า, าปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ผลที่เก่หวังได้สองอย่างคือพระอาหารหันต์ในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปติเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคาเม กมิคชาละแก่พิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโภทพะธรรมอารมแล้วไซความเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อความเพลินมีอยู่ ความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมีเมื่อความพอใจอย่างแรงกล้ามีอยู่การผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์เพราะอั น, นาจแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่า เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองแม้จะซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าช้าป่าชัดมีเสียงรบกวนน้อยปราสจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์แล้วก็าตาม ภิกษุนั้นเราก็ยังเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองเพราะเหตุใดเล่าเพราะตันหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตันหานั้นอันภิกษุนั้นยังละไม่ได้เสียจแล้ว ที่เราตั้งจิตอยู่กับลมหายใจชื่อเราือว่าเรากำลังละภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างภพเพื่อให้ภพนั้นดับไปหรือเกิดสั้นที่สุดเพราะพระองค์ตรัสว่า แม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้รมจัจทร์นี้เป็นไปเพื่อการระกาดซึ่งภพ การที่จิตเราคิดปรุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งรัศดาก็ตรัสว่าพบได้เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไป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 สร้างสันชาความพอใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกเวลาจิตหลึกเป็นนึกคิดเรื่องใดก็ให้พยายามละนันทีคือความเพลินล้กลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักของเราคือกายยะคตาสติลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนั่นเอง เวลานั่งสมาธิเมื่อไรก็ให้พยายามอยู่ลมหายใจให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นญาดุดเครื่องนำไปทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียนตั้งไว้เนืองๆรืองเพียนเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียนปาราบสม่าเสมอด้วยดี สมาธิก็ให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเ <c oughs> มตจิตของเธอปราศจากนิวรณห้าดีแล้วให้เธอกระทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สาที่ที่สแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งบ้างบน เบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยยบาทประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในายเมตตาเจโตวิมุต์ก็เหมือนกันฉันนั้น สมาธิมา ท่านเขียนจดหมายมาหาแตมาจากวัดกุฎีทองพันกรสีอิธยาบอกตราบนมัมการอาวุโสครกฤทธิ์นะกับผมพันเตบวรศักดนะิ์เวลาเราใช้ระบบของผู้จ้างนะเราก็จะทราบว่า ถ้าเกณฑ์อะไรท่านพัรษามากกว่าเราน่าจะ20กว่าขึ้นไปนะนะได้ดูจาก YouTube พุทธวจนะของอวสุเครดิ์ทำให้กระผมได้รู้แจ้งตามที่อวสุเครดิ์ได้บรรยายไว้โดยที่พันเตนได้รู้ได้เห็นการปฏิบัติของสมุทิสงฆ์ที่ทำกันอยู่ตามตามกันมาโดยไม่ได้ศึกษาโดยตรงตามพุทธวจนะ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกระผมพันเตบรวรศักกิติสกโกจะประพฤติปฏิบัติตามพุทธวจนะและขอศึกษาจากอาจารย์อาวุโสคือฤิ์เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปไม่มีโอกาสจะแนะนำกับอ <c oughs> <c oughs> ุบาสกอุบาสิกาจะนำพุทธวจนะของพระพุทธองค์นะ จะนำพระพุทธเจ้าของพระพุทองค์สะตาคตพันเตปบาลศัตว์มีความประสงค์ขอรับการศึกษาจากท่านอุโสุคึกฤทธิโปรดช่วยแนะนําและแลกเปลี่ยนศึกษาและปฏิบัติตามพุทธวจนะแก่พันเตปบาลสัตว์ด้วยนะและขอรับหนังสือและแผ่นซีดีจากท่านอุโสุคึกฤทธิเพื่อใช้ประกอบการแนะนํำศึกต่อไปอ สุดท้ายปันเทปบาลวันสักขอกราบรลวงสกานโสโกลริบมาใ น, นโอกาสนี้กลับริบมาด้วยความกรุณาสูงพันเตปบาลวันสักแล้วก็ให้ที่อยู่ก็เบโทุสักมาจนะากอยุทยาเอ <c oughs> <c oughs> มีได้จำนวนมากๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะถจาถ้าเราไม่ไม่ติดกับสมมุติที่ทางโลกก็มอบให้ยศตำแหน่งต่างๆน ะ, นะหรือว่าอเอกราบปัจจัยต่างๆเราก็มาช่วยกันเดินตามพระศาสดาือว่าพระ ทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกันใช้คำสอนเดียวกันเผยแผ่ในสิ่งเดียวกันใช้คำพูดของพระศาสดาถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไปวัดไหนก็ตามก็จะเหมือนกันทั้งหมดไม่มีความแตกต่างพวกนิกายสายต่างๆก็จะหมดไปเราจะไม่มีคำสอนสาบก ค, คนใดที่เอามาประกาศแต่เราจะประกาศใจคาของพระศาสดา นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะก็มีจํานวนหลายหลายท่านอยู่เหมือนกันนะที่จดหมายมาในลักษณะนี้นะก็หลายๆท่านก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองหลายๆท่านก็ยังลังเล่ใจนะหรือว่าหรือกำลังยังไม่พอก็ไม่ทราบแต่จะอืม แต่ถ้าบวดเป็นพรนแล้วไม่น่าไม่น่าอ้างอินทรีตั้งไรเพราะว่าตัดใจมาเป็นลูกศิษย์ผู้เจ้าแล้วใช่ไหมก็ต้องอย่างน้อยขั้นต่ำเบสิกเนี่ยต้องควรจะได้สินบริบูรณ์สัมปนะศีลาสัมปนะปฏิโมกขานะปฏิโมกขาสังวรสสังวุตาแล้วก็อาจารยโคจรสัมปนาสินสามกลุ่มนี้คนจะทำได้ ก็ควรจะเป็นทายาตแห่งธรรมะของตจาถาคต อ, อย่าไปเป็นทายาตแห่งธรรมะของคนอื่นพิธีกรรมพิธีการต่างๆที่เรียกว่าเป็นมงคลต่างๆที่เรากระทำกันพอสืบสาวเราเลื่องไปแล้วกลายเป็นวัตรละ ข้อปฏิบัติของปริพาชกเราอื่นนะของเดลทีเราอื่นเราควรจะมาช่วยกัน <c oughs> <c oughs> ละเลิกนะเราไม่ได้ไปเป็นศัตรูกับพระ ก, กอรพระขอรพขอระคอแต่เรานะกำลังทำให้วัตรละข้อวัดปฏิบัติกัลยาณวัดวัอวดอนุตงามที่พระศาสดามอบไว้บัญญัติไว้ ต่ดสั ด, ดีตะสัรู้ชอบประกาศไว้อย่างดีแล้วเนี่ยดำรงสืบต่อไปข้อข้อวัดปฏิบัติของพระศาสดาจะค่อยๆเสื่อมสูนไปเพราะการที่เราไปไปเอาข้อวัดของคนอื่นมา ศึกษามาประพฤติปฏิบัติก็นะอยากให้พวกเราได้รู้ในสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันเป็นพื้นฐานของการเข้าสู่สมมมาทิฐนะิความเห็นถูกต้องจะทำอย่างไร <c oughs> <c oughs> การเชื่อว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาล เป็นนิจชาทิฏฐิแบบที่หนึ่งที่พระโสดาบันต้องละได้หรือกรรมเกิดจากตนเองบรรดาลหรือทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนี้ล้วนเป็นนิจชาทิฏฐิทั้งหมด พทุบริษัทควรจะช่วยกันรักษากัญยาณมัตที่ศาสดามได้ค้นพบได้บัญญัติเอาไว้เราไม่ควรแม้แต่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเห็นเข้าไปฟังเข้าไปศรัทธาเข้าไปศึกษาเข้าไปบำรุงหรือเข้าไประลึก ในสิ่งที่ผิดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของอันตริยะห -6 หกประการนะ <c oughs> การที่ได้เข้าไปเห็นเข้าไปฟังนะการที่เข้าไปศึกษาไปศ ร, รัทธาไปบำรรงไประลึกถึงสมณพราหมณ์ที่เห็นผิดประพฤติปฏิบัติผิดนะพระองค์ตรัสว่านั่นเป็นกิจเลว เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานพระองค์พยายามป้องกันให้พวกเราเนี่ยไม่พลัดหลงเข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐินี่เป็นเรื่องสำคัญทิฏฐิสัมปนาบุคคลสามารถเอาตัวรอด พ้นจากนรกได้ <c oughs> มีใครสักสามก็ทำอะไรไหม โอกาสพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ช่วยขยายความเกี่ยวกับกรรมที่วิชาทิฏฐิที่บอกว่ากรรมเกิดจากตนเองบันดาลให้ฟังหน่อยได้ไหมคะกรรมเกิดจากตนเองบันดาลก็ไม่มีเนี่ยเพราะว่าเหตุเกิดของกรรมเนี่ยเกิดจากอะไร พระเจ้าตัดว่านิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นดันเกิดของกรรมเกิดจากผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดใดที่กล่าวตามก็จะไม่ปล่อยเป็นผู้ที่ควรถูกตํำหนิไปด้วยกรรมเกิดจากผัสสะ แล้วผัสสะเป็นของใครผัสสะหรือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาเราเห็นเราก็บอกฉันเห็นฉันได้ยินเธอได้ยินไหมมีเธอมีฉันหมดเลยเห็นไหมไม่มีคนถามพู้เจ้าว่าผัสสะเป็นของใครพู้เจ้าบอกคำถามนมี้ถามผิดนะเพราะองค์ไม่เคยบัญญัติว่าผัสสะบุคคลเป็นผู้สัมผัส ผัสสะไม่ได้มีของใครลูกตาของเธอหรือเปล่าไม่ใช่หูของเธอไหมไม่ใช่สัตว์โลกทั้งหลายนี้เข้าใจผิดที่ตาของเราหูของฉันนะเวลาหูมันแปรปรวนเวลาลูกตามันแปรปรวนก็เลยมีความทุกข์เพราะการแปรปรวนของลูกนะคำถามที่ถูกต้องพู้เจ้าบอกต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไร คำตอบที่ถูกต้องก็คือว่าเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลายยตนะก็คืออายยตนะภายใน6กภายนอกหกระทบกันแล้วผัสสะหรือสัมผัสจึงเกิดขึ้นนี่คือคำถามที่ถูกต้องนะและคำตอบที่ถูกต้องคืออย่างนีนะในนั้นผัสสะก็ไม่ใช่ของใครสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ผัสส ะ, ะเปรโตคือเป็นผู้มีผัสสะบางหน้า เข้าใจผิดในปัจสละหลงในปัจสละนะหลงในสลายยตนะนะคิดว่าอายณะเป็นเราแล้วถามอายนะเป็นของใครพระเจ้าบอกอายณะก็ไม่ใช่ของใครนะถามผิดอีกือนกันคำถามที่ถูกคือสลายยตนะเนี่ยเกิดจากอะไรคำตอบที่ถูกก็คือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัจจึงมีสลายยตนะธรรมาชาติทั้งหลาย ล้วนอาศัยการเกิดขึ้นดังนั้นนะทำยังไงเราจะมองได้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นการอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์เรียกว่าอิทัพปัจจยตา <c oughs> กฎของอิทัพปัจจยตาก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปไม่ใช่เพราะเรามีสิ่งนี้จึงมีไม่ไม่มีเราสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรเพราะมีสลายเมื่อสลายยตนะมีภาษาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสลายยตนะภาษาจึงเกิดขึ้นถ้าสลายยตนะไม่มีภาษาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสลายยตนะภาษาจึงดับไป ถ้าลูกตาโยไม่มีสัมผัสทางตามีได้ไหมไม่ได้สัมปัทางตาไม่มีเวทนาความพอใจอันเกิดจากสัมผัสทางตาจะมีได้ไหมไม่ได้หูก็เหมือนกันถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงสัมผัสทางหูก็ไม่มีความพอใจอันเกิดจากสัมผัสทางหูก็จะไม่มีจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันทั้งหมดเลยนะพเจ้าบอกใครจะบัญญัติซึ่งความสุขความทุกข์ในโลกเนี่ย ต้องบัญญัติภายใต้สลายยตนะหรือผัดสายยตนะทั้งหลายหกประการยมจะบอกสุขบองทุกเนี่ยมันมาจากเหตุหกประการนี้ทั้งสิน้นนะสุขทางตาได้เห็นรูปสวยสวยสุขทางหูได้ฟังเสียงเพราะๆสุขทางกลิ่นนะทางลิ้นนะทางกายทางใจใช้อายะนะเป็นตัวแทนทั้งนั้นในการบัญญัติสิ่งต่าง ดังนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดที่ไม่รู้เรื่องผัสสายตนะทั้งหลายหประการสมณะผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะไม่ชื่อว่าเป็นพรามณ์ในหมู่พราหมเขาไม่ใช่เป็นนักปวดเลยน ะ, ะเพราะก็ไม่รู้เรื่องตามที่เป็นจริงที่ควรจะรู้นะดังนั้นกรรมและสุขทุกจริงไม่ได้เกิดจากตนเองบรรดานนะเข้าใจนะเมื่อตนเองไม่มีผู้อื่นก็ไม่มีใช่ไหม คนอื่นก็เข้าใจผิดที่ว่าตัวเขามีนะเทวดาก็เข้าใจผิดที่ว่าเทวดามีเทวดาก็มีชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเพียงปฏิจจสุบารอิทัปพเปตตาเหมือนกันเป็นกฎธรรมชาติอืมนี่คือความเข้าใจผิดของสัตว์ทั้งโลกนะขนาดตัวบุคคลเนี่ยนะยังไม่มีของใครเลยแล้วของของเขาจะมีไหม นะอ่าน้ำศักดิ์สิทธิ์จะมีไหมอืมไฟศักดิ์สิทธิ์จะมีไหมนะเครื่องรางของขั ง, งอะไรต่ออะไรเนี่ยน่ะที่มนุษย์ทั้งหลายยึดถือเป็นที่พึ่งสวนป่าศักดิ์สิทธิ์น่ะภูเขาน่ะต้นไม้ลูกขจดีดีน่ะพระเจ้าปฏิเสธหมดอืมแต่วนะวันนี้ชาวพุทธเรากำลังเข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิ ที่พระเจ้าต่อสู้มาตลอดชั้งชีวิตยพยายามโตวาทากับริพพาชกอธิบายบอกนะสอนมาตลอด45ปีนะแต่ลูกศิษย์พระเจ้าเองกลับเข้าไปหามิจฉาทิฏฐิหมดเลยนะเพรานั้นะนะเราก็ต้องช่วยกันศึกษาพุทธวจนะนี้แหละเพื่อเราจะได้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิด <c oughs> เดินเข้าสู่สมาธิถิกนะ กราขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอโอกาสเรื่องกรรมนะคอาจารย์ที่เจ้าได้บักว่ากรรมเนี่ยจะระยะของการสนองของกรรมเนี่ยมีสามระยะ ใ, ในทันทีแล้วก็ในเวลาต่อไปแล้วก็ ใ, ในเวลาต่อไปอีก ย, อมยมอยากทราบว่ า, าระยะการสนองของกรรมเนี่ย มันเกี่ยวกับการทำกรรมหนักแล้วก็กรรมเบาหรือไม่เจ้าค่ะเกี่ยวเกี่ยว ใ, ใพราะองค์จะเรียกว่าการรมที่ส่งผลในทิฏฐธรร ม, มก็คือการทาสมาธิย่อมอยากประสบผลอะไรประสบผลกรรมที่ไวนะอันเป็นฝ่ายดีนะคุณเจ้าบอกให้ทำสมาธิแดระดับนะอย่างนี้เพราะนั้นอย่างน้อยคนคนนั้นเนี่ยจะได้รู้ว่า เขาจะแก้ไขชีวิตเขายังไงมันได้ประโยชน์เนี่ยผ ม, มก็อธิบายเรื่องนี้เอาไว้มันก็จะมีกรรมทั้งฝ่ายไม่ดีแล้วก็ฝ่ายดีนี่ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราปัญหามากอุปสรรคเยอะนะก็ลองทำกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมนะคือการทำสมาธิแล้วก็ ราทำเหตุปัจจัยที่ให้ได้มาซึ่งความปรารถนาคือศรัทธามีศีลมีการสั่งสมสุตตมีจากะมีปัญญาห้าอย่างเนี่ยสัทธาในตาตาคต์กราวาสเก็สศีลห้าบริบูรณ์มีการสั่งสมสุตญญนะสตฟังคำตาตาคตให้มากฟังเนงืองเนืองให้เคราะห์ปากขึ้นใจเลย แล้วก็มีจาคะการเสีสละการแบ่งปันนะซึ่งจาคะนี้นะต้องวางจิตให้ถูกด้วยถึงจะได้ทั้งผลใหญ่และอ น, นิสงส์ใหญ่ก็คือวางจิตว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตด้วยการละความต ร, รีนะดังนั้นในการทำทานทุกครั้งถ้าเราวางจิตถูกต้องเราจะได้ทั้งผลใหญ่และอ น, นิสงส์ใหญ่ผลใหญ่อย่างน้อยนี่ได้เป็นพรหมกายกานัง อันนี้สงใหญ่คือเมื่อตายแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือไม่ต้องกลับมาสู่สังสารวัตรนะและอย่างที่ห้าคือการมีปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนาพระองค์ตัดไว้เลยวัดกันที่ไหนวัดกันที่การเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปถ้าเราเห็นอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปเนี่ยเรียกว่าเรามีปัญญาแล้วนะหรือพระองค์จะเปรียบเหมือนนายกัมพันธ์ที่ เป็นผู้ยิงแม่นน ะ, ะทำลายค่าศึกได้เขายิงแม่นการยิงแม่นเ น, เนีน่ยหรือตรงเป้าเนี่ยมันคือเราพิจารณาเนื้อธรรเนี่ยตรงเป้าแล้วตรงประเด็ น, นคือเห็นการเกิดกันดับเชิญข้างหลังขออกาศเจ้าค่ะ คือที่ผ่านมาได้มีโอกาสประสบปฏิเทศนะคะรถเป็นทุกปูณ18ล้อค่ะชนขณขับรถอยู่ค่ะ ค, <laughs> ค่ะแล้วขณะที่โดนชนอะนะคะเบรกก็เบรกไม่ได้รถเป็นทุกปูนก็จะลากลากไปข้างหน้าอีกในเซียววินาทีนั้นเนี่ยเราควรวางใจยังไงคะคือได้ยินเสียงพาราทิจันขึ้นมาเลยะคะ่ะ <laughs> ให้นึกถึงลมหายใจขึ้นมาเลยคือคิด ไม่ยังไงก็อาจจะไปแล้วแน่นอนนะคะในวินาทีนั้นนะคะคืออยากจะทราบว่าควรทําใจอย่างไระแล้วแล้วทําใจยังไงตอนนั้นคือถึงว่าหายใจเลยเนาะค่ะแล้วหายใจไดยินเสียงอาจารย์ขึ้นมาเลยคือมันคิดถึงเนี่ยแบบอาจจะไปแล้วจริงนะโอ้แล้วรอดมาได้เนาะแปลกใจอยู่เหมือนกันเนาะอบนถนนหรอบนถนนสค่ะพอดี มันไม่หนักมากเพราะว่ารถบันทุกปูนเขารถว่างอะค่ะไม่ได้ถูกปูนมาด้วยอ่ะคะ่ะแต่ด้ยวยความที่มันก็ไม่ได้วิ่งกันเร็วมากด้วยอะค่ะแล้วเขาเหมือนเขาเบรกไม่ทนมันนะคะเราเข้าแล้วเขาเบรกไม่ทันเขาก็ชนเข้าข้างๆถึงเหมือนจะถึงตัวะะแล้วด้วยอ่ะคแล้วก็ลากไปข้างหน้าก็รอย่างเจ้าค <laughs> ่ะเรื่องรถบรรทุกปูนนี่มันหลายไลน์แล้วเนอะบางทีมันล้มมาทับรถเก๋งแบนเลยนะ <laughs> ก็พยายามมีสติอยู่กับกายน่ะแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นก่อนจะแก้ไขแล้วไม่ได้โดนมันลากไปเรื่อยๆก็อยู่ก็ลมไม่ใ่ไปขอบคุณเช่นกันชื่อว่าสติยังดีนะอือเขาาดครับ พอดีมูลมินบุกมูลนิธิพุทธโคดรครับมีโครงการชวนน้อง พ, พุทธวันจนาครับครั้งที่หนึ่งเป็นการทําเพื่อที่จะชวนน้องๆตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ครับอผู้ผที่มีความสนใจมาห้องพุทธวันจนากันก็เดี๋ยวก็จะมีรางวัลเกี่ยวกับพวกไปประเทศเอินเดียอะไรอย่างเงี้ยครับอืแล้วก็ก็ถ้ามีผู้สนใจก็สามารถไปรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ ศาลาอเนกประสงค์นะครับ uh huh. รเวลาประมาณ10บโมง<ม>ครับผมนะครับ huh. เพื่อที่ได้ส่งเสริมให้พวกเราเป็นรัตนนาหะเป็น uh huh. สิ่งที่หาเป็นรัตนนาหาที่หาได้ยากครับ uh huh. ก็เดี๋ยว uh huh. ขออ่านพระสูตรนิดหนึ่งนะครับ uh huh. เขาบอกว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งรัตนนาหาประการหาได้ยากในโลกข้าประการอย่างไรเล่าคือหนึ่ง ตถาคตผู้อรหัตตสัมมาสัมพุทธะสบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว 3. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้ว 4. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหกตันยูกระตะเวทีบุคคลเจ้าริชวีทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนห้าประการนี้แลหาได้ยากในโลกครับก็เลยอยากจะชวนทุกๆคนที่สนใจมาเป็นรัตนห้าด้วยกันครับครับผมอ่าก็ใครสนใจก็ไปไปสมัครเป็นอาสาสมัครได้นะช่วยกันเผยแพร่ประกาศคำของตถาคต ก็จะเป็นเหตุให้อยาประชนของเราได้เป็นผู้สับในคำของตถาคตขึ้นมาน <c oughs> ถ้ากิว่าเราผลิตปุถุชนผู้ได้สดับเนี่ขึ้นอีกจำนวนมากเลยนะหลายพันหลายหมื่นคนก็ น, น่าจะเป็น กำลังให้กับประเทศชาติในโอกาสต่อไปเป็นกำลังให้กับสังคมสร้างสังคมให้เป็นคนดีรสัสดต์เกี่ยวกับ <c oughs> เรื่อง <c oughs> การฟังคำสาคตด้วนึงจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฐิหรือความเห็นนี้พระก็จะไปเจอ ในหลายพสูรมากซึ่งมีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันหลายประการรวมไปถึงการที่บุคคลนั้นจะเป็นอุปชาหรืออาจารย์นะอันนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้เจ้าวางไว้ด้วยว่าผู้ที่เป็นอุปชาอาจารย์เนี่ยจะต้องมีความร่องปากขึ้นใจในคำตถาคตนะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น <c oughs> แล้วก็โยงไปอีกหลายพัสูตรเราจะเห็นว่าวาลีคำพูดของผู้เจ้าแต่และอันเนี่ยมันจะเชื่อมโยงเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันไปหมดไห น, αι. น αι. คือว่ามีคำถามอยู่ไหนเนาะว่าไงอ่าคือว่ามีคำถามว่า ถ้าหากว่ามีคนสองกลุ่มทะเลาะกันเราขาดสติทำลายให้ผู้หนึ่งถึงแก่กรรมแล้เ า, เ, าเราควรจะต้องทำตัวยังไงเราเป็นญาติของคนถึงแก่กรรมหรือว่าเราเป็นฝ่ายไห น, นหรื อ, อยังไงพี่สาวของเขาของคนถึงแก่กรรมเนี่ยเหรอไม่ใช่ค่ะของคนที่ตีกันออ ก็ให้ธรรมะกับเขาเข า, เขาจะได้ไธรรมะพระศาสดานี่แหละคำคตรัสพุทธให้ให้เขาได้เรียนรู้ให้ได้ฟังเพราะว่ารำพระศาสดาเนี่ยมันจะเปลี่ยนนิสัยคนได้ไงอนุสาสนีปฏิหารอเปลี่ยนองค์คุริมายังเปลี่ยนได้เลยนะอ่ก็ต้องลองดูว่าบางทีเราบอกสอนไปก็ไม่ค่อยจะฟัง คำของเราไม่ไม่ประกอบด้วยปฏิหาร <c oughs> <c oughs> ทีนี้คือต้องทำให้เขาเห็นโทษโดยความเป็นโทษน ะ, ะแล้วก็สํารวมระวังละเลิกในสิ่งที่ที่ไม่ถูกต้องทีนี้ความสํานึกตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะต้องได้ฟังธรรมพุทเจ้านะออกได้ฟังธรรมะเอาไปใค่ควรพิจารณา อันดับแรกให้เขามีโอกาสได้ฟังก่อนต้องให้ให้ธรรมากับเขาไม่ก็ก็จะเห็นผิดไปเรื่อยๆ อ, นะอะไรที่แล้วก็ปล่อยวางไปเดินหน้าต่อแก้ไขดีกว่านะจะแก้ไข ย, ยังไงให้เขาเนี่ยกับเนื้อกับตัวเป็นคนดนะีก็ต้องใช้ธรรมะเนี่ย เมือนกับผู้เจ้าบอกถ้าเธอคิดจะสงเคราะห์คนใดคนหนึ่งให้สงเคราะห์เขาด้วยให้เขารู้สติปัฏฐานสี่หรือรู้อริสัตสีนี่คือการสงเคราะห์อย่างถูกต้องนะแล้วจะเขามีหลักหลักทําในชีวิตเนี่ยเราก็จะได้หมดห่วงคนะรับอแล้วก็มีหลักในการดําเนินชีวิตเขาได้แล้วไมก็ต้องประคองกันไปตลอดชีวิตเนี่ยอืม เป็นห่วงยออันเสีย่อสัตว์ผู้มีตันหาเเครื่องกั้นอะไรเนี่ยฮะที่มาครอบ ที่อาจารย์บอกว่ามันครอบอยู่ตัววิญญาณเนี่ยครับอย่างมนุษย์เราสัรพสัตว์ทั่วไปก็มีเพศผู้เพศเมียแล้วก็สมสู่ก็เกิดเป็นทายาทใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่ามนุษย์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไอสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตันหามเนเครื่องผูกเนี่ยครับมันเพิ่มตามหรือเปล่าครับหนมังก็คือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยมันก็เป็นทั้งเทวดารมมนุษย์ เปรืวิสัยมันมีทั้งนั้นน่ะมันวนเวียนกันอยู่พวกมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยหล่นมาจากสวรรค์บ้างเจอโลกบ้างขึ้นมาจากเปรืวิสัยบ้างมันก็กบนเวียนกันอย่างนี้ไปตลอดแล้วมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเปล่าครับมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมนะประมาณมันมากแล้วเกินอย่างเช่นว่าประชากรมนุษย์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอืมมัน มันไปเปรียบเทียบประชากรมนุษย์อย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะพระุทธเจ้าจะเปรียบเทียบกับสัตว์ตัวโลกธาตุเลยมาโหมันประมาณไม่ได้โยมมดปลวกลังหนึ่งโยมก็นับไม่ทัว่วเลยนะแค่มดปลวกในแค่พื้นที่เนียบัานนี้ทั้งหมดเนี่ยมีใครนั่งนับประชากรสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนับไม่ไหวนะมันมีประมาณมากส่วนสัตว์ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระุทธเจ้าบอกมันน้อยมากเลยและเกิดยากมากเลย ไอ้ที่เราว่าหกพันล้านกว่าคนเนี่ยโอ้มันเป็นศูนจุดูหนึ่งเอร์เซนตของสัตว์โลกทั่วโลกธาตเนี่ยมันเวียนวนกันไปในสังสารวัตรเนี่ยนะเพราะั้นตรงนี้ก็ไม่ไม่ต้องไปสนใจนะสัตว์จะมากจะน้อยเนี่ยเราก็เอาตัวเราออกจากสังสวรวัตรให้ได้นะอืมเพืยัางจะตีกรอบความรู้ที่คนรู้ว่าคนรู้แค่ไหน ไม่งั้นชีวิตเรามันไม่ยืนยาวพอที่จะรู้ไปทุกเรื่องในโลกก็เลยต้องตีกรอบให้มารู้เรื่องอริสัตยสี่ก่อนอันดับแรกของชีวิตเร่งด่วนอันดับหนึ่งรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นแลวมีการดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยให้จิตมันเชื่อมั่นอย่างนี้จริงๆเห็นจริงๆนะเข้าไปดูจิตของตัวเองว่าทุกอย่างเกิดดับไหมอย่างนี้ ใช่ช่ขอ uh huh. ขอเรียนปรึกษาคนะ่ะ uh huh. เ, เมื่อเดือนที่แล้วได้ผ่านักศึกษามาปฏิบัติท ร, รมาแ ล, ะะ uh huh. ล้วคหลังกลับไปก็มีเหตุปัใจจัยให้ได้คิดโครงการหลายๆโครงการเ uh huh. กี่ยวกับที่จะเผยแพ่พุทธวจนะในสถาบันนะคะ uh huh. uh huh. อันหนึ่งที่จะทำได้ก่อนก็คือในวิชาที่สอนนะคะ uh huh. กำลังคิดว่าจะแนะนำให้นักศึกษาไ ด, ได้อ่านหนังสือ ในเล่มเล็กชุดสิบสิบเอ็ดเล่มใช่ไหมคะใช่สักหนึ่งเล่มที่ที่อ่านได้เข้าใจโดยโดยไม่ยากยนะคะ mm hmm. mm hmm. ก็ยังคือคือโยมได้ซื้อหนังสือไปชุดหนึ่งแล้วไป mm hmm. ไปอ่านเองแต่ก็ยังอ่านไม่จบ mm hmm. ก็เล่มนี้ก็ดีเล่มนี้ก็ดีแต่อบบ mm hmm. แต่ในในศักยภาพนักศึกษาแล้วเนี่ยคือ ก็ไม่ควรจะยากเกินไปนะคะออือก็เลยไม่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกเล่มไหนดีอยากให้ท่านพระอาจารย์ได้ได้แนะนํามาค่ะออืมืมก็ได้จี ป, ปาถานะในสิบเอ็ดเล่มอันนี้กล่องนี้สิบเล่มอย่าง น, นี้พบภูมิก็ได้พบภูมิ ไม่รุ่นใหม่ก็คือมันมันเป็นที่ที่น่าสนใจของของคนนะเดี๋ยวเพราะว่าทุกคนเนี่ยตายแต่นี่คนก็จะสงสัยตายแล้วไปไหนนะตายแล้วจะเป็นยังไงต่ออย่างเงี้ยนะงั้นถ้า ลองได้ได้ให้เขาลองศึกษานะเกี่กับพระภูมิก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็อ่านไม่น่ายากมากเพราะว่าเอาไปขายใน C ีเอืก็ยังได้เป็นเบสเซลล์เป็นเดือนที่บก็ก็ยังเป็นเบสเซลล์ของ B2S นะ สิกจะมีส่งภาพมาทั้ง น, นี้ก็สแสดงว่าคนก็อ่านรู้เรื่องอยู่เนาะอืมอืมในภาพ ถ้าเป็นคารวาชั้นเลิศนี่จะจะได้ไหมคะ ร, รู้สึกเนื้อหาจะเบากว่าเรี่บอื่นคาราวาชั้นเลิศ ก, ก็ได้โยมเนื้อหาเนื้อหาเบาดีแต่บางทีเขาก็เหมือนกับมองไม่ค่อเห็นประโยชน์นะก็เหมือนว่าเขาก็ทำความดีอยู่แล้วนะเป็นธรรมดาอะไรอย่างนี้นะถ้าเรา ที่จุงใจเขาได้หน่อยนะ อ, อ, ยอย่างเล่มพบภูมินี้อ่านแล้วทำให้เขารู้สึกกลัวใช่ไหมคะก็ไม่เชงรู้สึกกลัวแตนะ่ได้ความจริงอะนะได้ความจริงว่าเออผู้ย่อยจัดยังไงเกี่ยวกัเบเรื่องพภูมิเกิดตายเป็นยังไงเขาจะได้รู้ว่าเออ มันไม่ใช่ชาติเดียวจบเนาะอืมมันก็ไปเรื่อยๆนะสังสสเนี่นะอืมก็ส่งภาพที่ B2S มาให้อยู่ว่าอ่ากะที่41นะแสดงว่าคนก็ยังซื้ออ่านสนใจกันอ่าก็เป็นการ กระจายคาสอนพระศาสดาให้เข้าไปอยู่ในทุกๆระบบระบบการขายนะการแจกการขายว่าใ <c> ค <oughs> ต้องการขอมาแล้วก็ส่งไปนะจริงต้องบอกหลักในการอ่านคาพระศาสดาก็คืออ่านไปแตะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเอาเท่าที่รู้เรื่องเพราะมันคือภูมิปัญญาของพระเจ้าทั้งหมดและมันเป็นสัจจะความจริงพระเจ้าไม่ได ไม่ได้พูดเพื่อให้ถูกใจใครแต่พูดตามความจริงทั้งหมดเรามีหน้าที่เข้าไปเรียนรู้ศึกษาถ้าอยากรู้ว่าความจริงคืออะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าบอกว่าโลกกลมไม่ใช่นั่งปฏิเสธอยู่ว่าโลกมันแบนนะแต่เราต้องไปศึกษาเออโลกมันกลมจริงหรือเปล่าแล้วก็ฟังเหตุผลเขาดูซิว่าโลกกลมเพราะอะไรน ะ, ะแล้วจะตรวจสอบยังไงอย่างเงี้ย นั่นมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายแต่มันเป็นความจริงนะพอกว่โลกมีแรงดึงดูดแล้วก็ไปตรวจสอบสิวางของแล้วมันหล่นไหมพระเจ้าบอกผัสสะเราเกิดเวทนาอ่ะมันจริงไหมละ่ะเวลาเรามีสัมผัสทางตาทางหูเราตรวจสอบตัวเราเองได้นะทุกคนมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบธรรมะหมดนะอืมอยู่กับตัวไม่ต้องไปพึ่งใครเนะีนะ่ยนพึ่งตนพึ่งธรรมนยะอืมนปะูมนะิกนะ็ไนดะ้ ปรมธรรมประสมธรรมนี่ก็ให้โครงการชวนน้องเนี่ยประสูตรในปรมธรรมปหนึ่งถึงปหกเขาก็เข้าใจได้นซึ่งโครงการนี้ดนะีเพราะว่าผู้ใหญ่จะได้รู้ว่าเด็กก็เข้าใจได้จําได้ใช่ไหมจะได้มีกําลังใจในการอ่านหน่อย <laughs> จไม่เข้าใจก็จําไปก่อนอ่ะอ่านไปก่อนจําไปก่อน แบบปฏิจจสุบาทเนี่ยยันยังไม่เข้าใจจำไปก่อนสายปฏิจจ์สวดให้ได้ให้คล่องปากขึ้นใจแล้วทั้งหมดมันคือสัจจะความจริงที่มีอยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยแต่มันเกิดอย่างรวดเร็วมากเรามองไม่ทันเนี่ยแต่ผู้เจ้ามองทันแล้วก็บัญญัิออกมานะเลงร้อยกนวาอย่างถูกต้องปุ๊บเนี่ยเราจาไปก่อนเป็อนท่องสุดคูณนะ่ะ ท่องไปก่อนจำไม่ได้ก่อนเดี๋ยวไปใช้ได้เองอะ่ะนะอ่านะมันดีคือดีจังหวาดีๆมันเห็นนะการเกยดดับภายในจิตอ่ะฟฟงกับไปติจะเลยเนี่ยนะจะเริ่มมีศรัทธาละในคำสอนพระศาสดาเนะี่ยเริ่มจากตัวเองเนี่ยดีเนะี่ยที่ยมบอกนะนะกลเป็นครู ก็เริ่มจากชั่วโมงเรียนของตัวเองนะสัก5นาทีนะแบ่งเป็นนั่งสมาธิสักสองสามนาทีก็ได้ก่อนเรียนนะทำความสงบสักนิดหนึ่งให้พัสูตรไปสักพัสูตรหนึ่งนะนะทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยซึมซับไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็ลุมเนนี้ก็ให้ท่องหน้าสาวทงนะที่วิเศษใจชาน แล้วก็เริ่มตังแต่เด็กๆเลยน ะ, ะคนอื่นก็ได้ฟังด้วยทั้งโรงเรียนนะและตัวเด็กก็ได้ได้เรียนรู้ด้วยน ะ, ะแตนที่การประชุมกันมันจะเปล่าประโยชน์ฟังคนโน้นคนนี้พูดเรื่องไร้สาระไปก็ให้มีสาระประโยชน์บ้างนะกลัง กำลังคิดพอดีไปเรียนท่านผู้บริหารว่าในเทอมในเทอมเมต้นของของปีห uh ้าหกถ้าถ้าไม่ติดขัดอะไรว่าจะนหมนต์ท่านพระจ ย, ย, ย์ไปถรายายพระพุทธวจะนะให้นักศึกษาฟังสักครั้ง uh huh. แต่ว่าเดี๋ยวจะติดต่อกับกับทางเจ้าหน้าที่ครับ uh huh. อันนี้เป็นโครงการต่อไป uh huh. ก็มีหลายโครงการที่คิด ซึ่งผู้บริหารก็สนับสนุนก็บอกค่อยๆคิดมค่อยๆทำไปต้องให้ผู้บริหารเนะี่ยเข้าใจเห็นด้วยนั้นถ้าผู้บริหารเข้าใจเห็นด้วยเนะี่ยอย่าง <c oughs> อย่างนี้ถ้ารัฐมนตรีเห็นด้วยปุ๊บเซ็นมาปุ๊บสั่งไปที่สวทชสวทชมีหนังสือด่วนที่สุดนะ สั่งไปถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนทันทีเลยเห็นนะมันเร็วอะ่ะนี่ก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูว่าเป็นหนังสือพี่สบถสั่งไปเพราะรัฐมนตรีสั่งมาอย่างี้ก็สั่งกันต่อๆเป็นทอดๆ น, นายกก็เห็นด้วยให้ชื่อในใบประกาศเกติคนน ะ, อ, ะอย่างเงี้ยดังนั้นทุนามีสมาธิธอย่างเงี้ย ไไวนะสังคมนั้นก็จะเจริญนะมีความสมามัคคีสูงการทะเลาะเบาแว้งกันก็จะค่อยๆหมดไปนะมีศรัทธาร่วมกันเนยศรัทธาในคำตถาคตอืมก็ูดใจเมตตาชาก็ไม่ต้องหวั่นไหวนะในการที่จะนำพาสิ่งที่ถูกต้องก็เดินหน้าไปได้เรื่อย สิงบอกผู้นำมีความสำคัญนะพระเจ้าบอกตัวผู้นำมีความสำคัญมาก <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นโลโก้มูลพิธินะตั้งขึ้นมาอีกเพื่อลองรับงานมูลที่พุทธศาสนาใช้อักษรพราหมีภาษาประกิจเข้ามา นี่เป็นหนังสา่งรวรามมีที่ที่แปลว่าพุทธวจนะพุทธวจนะนะอท่านโตเป็นคนแกะมาให้ตั้งแต่สาวิณโสดเนะมือ่ออสองพันกว่าปีที่แล้วนะสองร้อปีหลังพุทเ้าปริณิพานคำว่าพุทธวจนะหนกสา่งรวรามมีก็จะเขีนหนึ่งนี้แล้วก็พุทธวจนะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะอื เห็นยงก็จะเอาไปทำเป็นเสื้อเลย <laughs> จะทำเป็นแอปพลิเคชันด้วยนะออกแบบหน้าตามานะมก็ตอนนี้กำลังรอรออลิขสิทธิ์ของบาริเทคอยู่ ทำอธิบายไปให้เขาละนี่ว่าเราทําอะไรบ้างเอาแสวรัดมาใช่อิตาปิกกะทามาเป็นสาสิบสาเล่มนีเราก็อธิบายเขาเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแปลใหม่เพราะเขาแปลมาเสร็จแล้วเราจะขอในส่วนที่เขาแปลในส่วนพุทธวจนะเอามาที่เพีงกับสาเล่มก็ เ, เพื่อใหอ้ฝรั่งต่างชาตินะ ได้มีความรู้ในเรื่องคำสอนศาสนาที่ถูกต้องตั้นทสามสามเล่มเนี่ยจุดเด่นก็คือเป็นหนังสือสองภาษาเลยทั้งบาลีไทยแล้วก็หัวข้อตรงกันในคู่หน้าเดียวกันนี่อุสโสมา ก, ก็ทำานตัวนี้ไปให้ที่บาลีเทคโซซิตี้จังทูตอังกฤษก็รับงานวิจาใหนะ้ประสานงานให้ ก็ยังรอคำตอบอยู่นะฮะเช่เนื่อในปัจจุบันนะครับก็คือทางสังคมมนุษย์คนเราครับวิลาธีที่มีปัญหาครับมักที่จะโฟกัสปัญหานั้น Uh huh. ก็คือมามาโฟกัสปัญหาแต่ในส่วนที่ที่เราครับมองเห็นอยแล้วว่าเป็นปัญหาครับบางส uh ่ว huh. นนะครับอยากจะบอกอยากจะบอกว่าในส่วนของแต่ละคนนะครับอการที่โฟกัสปัญหาจะคิดไม่ uh huh. ออกเหมือนกันว่าเราจะแก้ไขแนละมีแนวทางในการแก้ไขยังไงประมาณนั้นก็จะมีหลักคําสอนที่ว่าอาจจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอขับรถไปแล้วชนกันนะครับ uh huh. ส่วนใหญ่ก็จะ โปรกำที่ปัญหานู่นนี่นะนะครับแต่ในเมื่อมันชนอยู่แล้วนะครับก็คือจะมีหลักคำสอนที่ให้เป็นแนวคิดว่าอ่าน่าจะบอกเป็นยังไงวินาทีที่คนสองคนคุยกันแล้วบอกอบอกกันบางคนอาะไม่เชื่ออะไรอย่าง น, นี้ครับฮะคือหลักน่ายต้องมีปัญญาปัญญาจะเกิดยังไงกูชอบบอกลาในบ่อนฮะเดี๋ยวปัญญามาเองปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาภัยบุญ ปัญญาเจริญปัญญามีหลายแบบมากบางทีมีปัญญาแต่มันมาไม่ทันน่ะนะมาทันทีหลังเน่เสียประโยชน์จริงปัญญามันไม่แล่นไม่เร็วนะ่ะอา่าอ่าขเสริมว่มาไอ่าคือตอนแรกก็ือว่าือว่าไม่เข้าใจตัวเองแต่ว่าตอนลงรถไฟก็เนขอับิจะบอกว่าใส่นว่า ไ ม, ไม่ไม่น่าใจเหมือนกันว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าที่มีสติขึ้นมาแบบเนี้เพราะว่าทุกคืนนั่งสมาธิหรือเ <c oughs> ปล่านะคะ <c oughs> พอเราทําสมาธิมากๆเนี่ยเวลาเราประสบอุบัติเหตุหรือว่าประสบปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยสติมันมาเองอะคะ่ะมันอยู่ๆก็ขึ้นมาแล้วแบบถามตัวเองทันทีว่าจะไปทะเลาะทําไมในเมื่อรถมันชนไปแล้วมันเสียหายไปแล้วคุยกันยังไงดีกว่าตามตามประกันมาดีกว่าจบแค่นั้นแล้วมันก็มันก็ง่ายค่ะมันก็จบง่ายมากเลยค่ะ ใช่ใชเนี่ยแหละการที่คนจะคิดอะไรได้ขึ้นมาแล้วโน้มไปในฝักฝ่ายแห่งกุศลเนี่ยมันต้องสั่งสมไงพระเจ้าจึงให้สั่งสมอะไรละอกุศนเรื่อยๆออกจากสิทธิ์นั้นแหะพระเจ้าบอกตัวปัญญามาเองเนี่ยมันมาโดยอัตโนมัติเลยอืมสิ่ง ท, ที่เรารู้ก็คือเปลี่ยนสติใช่ไหมครับใช่ใช่ถเมื่อรู้แล้วก็คือเปลี่ยนสติส่ดุดตรงนี้ก็คื อ, อแต่ถ้าเขายัง โฟกัสกลับไปโฟกัสในส่วนนี้ทำไมเนี่ยก็ต้องให้ให้ธรรมะเขาส่งเข้าเขาด้วยการให้เขารู้อริสัตหรือสติปัฏฐานสี่ให้เขาฝึกสตินะอ่าบอกธรรม ะ, ะบอกพุตวัฒนะให้เขาเอาซีดีไปฟังหนังสือให้ไปอ่านอย่างเนี้ยอ่าก็เกื้อกูลกันด้วยวิธีนี้เพราะคนเราถ้าเสพครบอกุศลมากเนี่ยเวลาคิดอะไรมันก็จะออกแนวอกุศลหมือนะเนี่ยมันอยู่มันจะไปตามความเคยชิน พระเจ้าจึงบอกอย่าสร้างความเคยชินในอกุศลนะแล้วปัญญามันจะทึบมันจะคิดไม่ออก น, น, นี่วิธีแก้ง่ายๆร้านนิวรนห้า <c oughs> หรืออกุศลสามอย่างการพยาบาทเปลีป่ยนเรื่อยๆแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเองเดี๋ยวฟัง พระสูตรสักพระสูตรหนึ่งเป็นพระสูตรที่พระองค์บอกว่าธรรมของพระองคเนี่ยคนเชื่อคนฟังน ะ, ะแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทั้งหลายโอกาสนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะขุทธประวัติจากพระโอษฐ์หน้า246ร้เรื่องอาการที่ทรงแสดงธรรมตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่โคตามะกะเจดีเวสาลีภิกษุทั้งหลาย เราย mm ่อมแสดงธรรมเพื ium, er ่อความรู้ยิ่งม่ใช่เพื่อไม่รู้ยิ่งเราย่อมแสดงธรรมมีเหตุผลพ้องไม่ใช่ไม่มีเหตุผลพ้องเราย่อมแสดงธรรมมีความน่าอัศจรรย์ไม่ใช่ไม่มีน่าอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายเราแสดงภิกษุทั้งหลายเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง มีเหตุผลพร้อมมีความน่าอัศจรรย์มิใช่แสดงเพื่อความไม่โรยิ่งไม่มีเหตุผลไม่มีความน่าอัศจรรย์อยู่ดังนี้โอว่าก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทําตามอนุสาสนีก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรทําตามภิกษุทั้งหลายพอละเพื่อความยินดีความอบอิ่มใจ ความสมนัตแก่พ่อเธอทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัตดีแล้วพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติทีแล้วเอวะอยุโตบลาโต ท, ทีโล วันณโทปฏิภาณนโทสุขอาศัตตาเมธาวีสุขังโซอธติขัตติอายุงชาตวะเพลังวังนังสุขังจับปฏิภาณนโทตีขายุยาสาวะโหตีญาตญาตูปปัจติติกาเลททันตีสัพญาวทันยูวีธมะจารา กาเลนะจินังอาริยสุขุสุปเทโสตติโสวิปัสสนามนาตสาวิปุลาโุทธากินาเยตัฏฐะอนุโมทันติเวยาวัจังครติวานาเตนาทกินาโอนาเตปิปุญญสัพพคินอัสสัมมาทเทาปะธิวานจิตโตยะาทินังมหพลัง ปุญญานี้พาเราเขสมิงปีติทธานติ่ปาลินันต